นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุติทัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุติทัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุทธัสมมสะนิมิตังสาทุรูปะนังกตัญญูกะตะเวทิตาติ อิมัสสะธรรมะปริยายัสสะอัทโทสาธายาสมันเตหิสกจังธรรมโมโซตัมโบตีณโอกาสนีจะกได้น้อมนำเอาธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงชี้แจงแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ไฝ่ในธรรม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 ในวันที่ห้าที่พระองค์มีพระชนมายุเต็มแปดสิบแปดพรรษาแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ย่างเข้าแปดสบเกมาก็ได้หลายวันแล้วแล้ววันที่ส1บดก็เป็นวันใบฟ่อเด็ดหรือปั่นเพื่อพ่อซึ่งประชาชนออกมาทำกิจกรรมครั้งนั้นล้นหลาม จนกระทั่งมากมายเป็น4 0 0 0 0 0หถึงห0 0 0ซึ่งว่าไม่มีซึ่งไม่มีปรากฏในโลกอันนี้ที่กระทำอย่างนี้ย่อมชนะการกระทำทุกอย่างแม้กระทั่งสำนักงานของกินิดบุกก็ลงปฏิลงเหตุการณ์อันนี้ไว้ในก น, นิดบุกให้ประจักษ์ชัดได้เห็น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 กล่าวถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคาราชสกลมหาสังฆปริณายกให้แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ทราบซึ่งเราก็ได้ทราบมาจากพระประวัติมาบ้างแล้วพระองค์มีความโดดเด่นอยู่9ก้าประการหนึ่งเป็นคนที่เกิดในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดทอง การจนะก็คือทองทองทั้งบ้านทองทั้งเมืองแล้วก็ต่อไปก็จะกลายเป็นเศรษฐกิจพิเศษที่เศรษฐกิจทวายก็ผ่านการจนะบุรีอันที่สองเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นพระราชาคณะในานามพระโสมพลขนาพรเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญป ร, รียนเป็นรูปแรก ข, ของรัตนโกสินทร์ ในราชทินานามนี้อันแล้วก็อันดับที่สาก็เป็นพระราชาคณะที่อยู่ในราชทินานามเดิมถึงสองขั้นคือชั้นราษและชั้นเทพก็อยู่ในพระโศพลคนาคนาพรดันทั้งสองขั้นไม่ว่าจะเป็นชั้นราษหรือชั้นเทพอันนี้เป็นลำดับที่สาลำดับที่สี่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 สมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่มีมาในรัชกาลตน้ตนๆก็คือสมเด็จพระญาณสังวรและก็สมเป็นสมเด็จพระสังฆราชเช่นกันดังนั้นจึงเทียบในลัลลลลลกษณะของเจ้าแม้กระทั่งพระโกฏก็เป็นพระทองพระโกศทองน้อยทองน้อย ทองน้อยนี่ก็คือเป็นของสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระบรมเดือเจ้าหน่ายชั้นสูงทองใหญ่ก็คือพระมหากษัตริย์กุดันใหญ่เนี่ยก็คือเจ้าหน่ายรองๆอง ล, อ ง, ลองมาดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงประกาศเกียรติยศเกียรติคุณให้ปรากฏเป็นประวัติศาสตร์สืบต่อไปว่าแม้พระองค์เป็นชั้นสามัญ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 ก็คือหนึ่งมีพระกะตัญญูกตเวทิตาคุณสองมีพระคาระวะติธรรมข้อส ม, มีพระขันติธรรมข้อสมีพระวิริยะธรรมข้อหมีพระอภิวาทนสิธรรมข้อที่6ก็มีพระสติปัญญาอันยิง่งข้อที่เจด ก็มีเป็นพระปฏิบัติธรรมเป็นพระสุ ป, ปฏิปโนในกรุงเกตุปการนี้เป็นคุณสมบัติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานรังวรค์สมเด็จพระสังฆราชดังนั้นในการที่เราได้ส่งสเสด็จสู่อมตมงคลของสมเด็จ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 พระกะตัญญูกตตเวทิตาธรรมอันนี้ความกตัญญูรู้คุณนี่แหละเป็นธรรมะที่หาได้ยากพระพุทธเจ้าจะตัดไว้ในบทแรกๆเลยว่าความกตัญญูรู้คุณจ้าพระคุณสมเด็จพญาณสังวรพระองค์รู้คุณของอุปชาที่บวชให้ตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อคราวเมื่อพระองค์ไปบวช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 มีมีวิริยะความพยายามอย่างสูงศึกษาตํารับตําราคนัวาให้เกิดความแตกานแล้วพระขันติธรรมก็มีความอดทนไม่ย่อทอ้อแล้วพระอภิวาทนสิทธรรมก็คือมีปกติอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นพระเถระพระมหาเถระที่มีพระสติปัญญาพระองค์สำเร็จปรเรียนธรรมเก้าประโยค เตกฉานในอัต ธ, ธรรมหลายๆประการแม้กระทั่งภาษาก็ได้หลายๆภาษาแล้วก็เป็นพระสุปฏิปโนในกลุงเชกเช่นเดียวกับเจ้าคุณนอนเจ้าคุณนอนวัดเทศสิรินก็เป็นดังเช่นเดียวกันแม้สมเด็จพระญาณสังวรก็เป็นอย่างนั้นอันนี้มีความเป็นมากทีนี้กะตัญญู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 อันนี้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลนั่นเนทีนี้ขารวะธรรมเรามีปกติอ่อนน้อมแล้วเเรามีปกติกราบมีปกติไหว้นี้เรียกว่ามีขารวะธรรมเราไปในสถานที่ต่างๆคนที่มีพื้นฐานในการปฏิบัติมาดีแล้วย่อมรู้จักที่สูงที่ต่ำ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 กล่าวคำขอโทษหรือขอให้อโหสิโทษจากพระพุทธพธรรมพระสงฆ์ที่เราล่วงเกินจึงเรียกว่าขารวะธรรมทีนี้พระมีวิริยะก็คือความภาคเพียรอย่างที่เราได้จัดการเทศชุกเดือนเดือนละสองครั้งดังที่เราได้จัดได้ทำมานี้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 ทีนี้พระอภิวาทนธรรมก็คือมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เยอ่อหยิงไม่เยอ่อหยิงไม่อวดไม่มีมานะถึงตัวว่ามีดีมีเกียรติอย่างนั้นอย่างนี้ไปแบบเรียบง่ายแม้จะแม้กระทั่งที่จะเป็นเป็นประมุขของคณะสงฆ์อย่างเช่นเดียวกับสมเด็จพระเทพพระรัตนาราชสุดานั้นพระองค์ก็ไม่ถือองค์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 คอยประคับประคองจิตให้ดิ่งลงไปสู่ฐานแห่งความสงบนั่นแหละจะตาจะกลายเป็นต้นกล้าแห่งปัญญาพัฒนาตัวเราให้เด่นขึ้นให้เด่นขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหยิบจุกเอาตัวนี้แหละจะเอาธรรมะข้อใดดังที่ครูบาอาจารย์ได้พัฒ น, นาถึงธรรมะหลายๆข้อเริ่มต้นจากการเป็นผู้มีศีล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 จ่องพ้นจะพ้นได้จริงๆก็ตั้งแต่พระอนาคาปีขึ้นไปก็สู่พระอรหัตตผลแต่และอยู่ในพระเสขบุคคลที่เป็นอริยชนก็ยังตกอยู่ในห่วงนี้แต่ท่านมีธรรมะมีอั ป, ปมาทธรรมเกิดขึ้นในดวงจิต ด, ดังนั้นเมื่อเรามาบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติธรรม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 ไปเป็นเครื่องรักษาจิตเมื่อมีปัญญาไปเป็นเครื่องรักษาจิตจิตของเราก็จะไม่เเคงครางก็จะมีปัญญาตามรักษาเรียกว่าธรรมโมลัคเวและธรรมธรรมโมลัคติธรรมจารีธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมเนี่ยตัวธรรมะตัวนี้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 ดังนั้นข้อที่เราควรจะสำเนียก็คือหนึ่งการกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกนี้มันเป็นภาวะที่จะทำให้เกิดการกระตือการกระตุ้นเตือนให้เราเกิดสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติสัมปชัญญะ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 ทางกายด้วยการวิการกายต่างๆการตบการตีทางวาจาด้วยการกล่าวในสิ่งที่เป็นพระลูกสาวเป็นสิ่งเป็นคำพูดที่หยาบๆในทางใจก็อาฆาตนี่ก็เคาเรียกว่าความโกรธที่นี้ความหลงความหลงนั้นก็คือหลงหลงในคติของตนเองหนึ่งหลงงม ง, งายไม่รู้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 ในการไหว้พระรับศีลฟังธรรมเดือนละสองครั้งและก็มีกิจกรรมในวันนักต ร, ริกวันปีใหม่วันสงกรานต์ที่เราเคยจัดเคยทำอันนี้แหละได้ว่าเป็นการให้โอกาสแก่พนักงาน TOT ตลอดจนญาติธรรมทั้งหลายได้มีสนามได้มีสถานที่ในการมาบำเพ็ญภาวนาอย่างนี้ ก็นับว่าเป็นบุญเป็นบารมีของผู้ที่ ค, คบที่คิดประกอบและกระทาให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาจนกระทั่งพวกเราได้ดำเนินตามตามอยู่อย่างนี้นับว่าเป็นการดีมากดังนั้นในที่สุดแห่งการแสดงธรรมนี้ก็ขอรัตนาคุณภาษีรัตนไตรคือพระพุทธพระธรรมและพระนิยมสงค์จงอภิบาล ร, รักษาท่านสาธุชน ที่มาประชุมพร้อมกันที่เนี่ยที่ได้มาสรับกับฟั่งพระธรรมเทศนาได้มาทำกิจกรรมต่างๆเป็นต้นว่าการให้ทานการสมาทานศีลการเจริญเมตตาภาวนาก็ขอปุญบารมีอันนี้จงเป็นพระรัวปัจจัยเสริมส่งให้ทุกท่านจเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจหน้าที่การงานพรั่งพร้อมไปด้วยสมบัติพันสถานความทุกข์ยาได้ความเจ็บไข้ยาเกิดมี ความขัดสนจนอับอยาปรากรคำว่าไม่มีขออย่าให้ได้ยินในที่ที่ไปแล้วด้ไปแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงชนะตลอดปลอดภัยเสมอพบเจอแต่คนดีและสิ่งที่ดีมั่งมีสีสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนร่ารวยด้วยเงินและทองผ่องใสในจิตมีแต่ ม, มิตรไม่มีศัตรูเมื่อท่านยังดำรงชี่ิอยู่ในโลกนี้ขอให้มีสุขภาพพลาดาัดพรยสุขสมบูรณ